อมระหาวิไนชอบธรรมมกรณีหมวดที่1การให้อมูระหาวิไนชอบทำสามหมวดเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุวิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปลวน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 ผมต้องอาบัตแล้วแต่ระลึกอาบัตเห็นปานนี้ไม่ได้สงให้อมุระหาวิไนแก่ภิกษุนั้นการให้อมุระหาวิไนชอบธรรมหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุที่วิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นวิกลจริต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 ท่านผมระลึกได้เหมือนความฝันสงให้อมุระหวิไนแก่ภิกษุนั้นการให้อมุระหาวิไนชอบธรรมหมวดที่สภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุวิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวน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 ผมก็ทําอย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายก็ทําอย่างนี้สิ่งนี้ควรแม้แก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลายสงให้อมุระหาวิไนแก่ภิกษุนั้นการให้อมุระหาวิไนชอบธรรมการให้อมุระหาวิไนชอบธรรมสามหมวดเหล่านี้อมุระหาวิไนจบ